ด้านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับอนุสติสิบประการก็จบไปแล้วแต่ด ว, ว่าก็ควรจะสรุปกันให้ฟังมาสรุปกันสักหน่อยหนึ่งว่าการศึกษาในอนุสติทั้งสิบประการนี้พูดกันมาควบทั้งสมถกรรมาฐานและวิปัสสนากรรมาฐาน แต่บางทีบรรดาท่านพุทธศา ส, สนิกชนทั้งหลายจะเข้าใจว่าถ้าจะใช้เป็นถ้าจะใช้เป็นฌานสมาบัตทั้งสิบอย่างนี่จะได้ไหมก็ต้องตอบว่าได้วิธีที่จะใช้เป็นฌานสมาบัตให้ถึงฌานสี่ทั้งสิบอย่างก็ต้องตั้งเอาอารมณ์ขอนิมิตอ่า คืออาการของกรรมฐานอแนนุสติทั้งสิบนี้ควบคู่กันกับอนาปานุสติกรรมฐานอย่างพุทธานุสติแล้วก็มีการปฏิบัติเป็นสองแบบคือแบบหนึ่งก็ได้แก่การทรงอารมณ์าคาอมีอารมณ์คิดเรียกว่าคิด เป็นในทํานองที่เรียกว่าพิจารณาความดีของพระพุทธเจา้าแต่ว่าอีกอันหนึ่งแล้วก็ใช้แบบนี้ใช้คำภาวนาแทานใช้คำภาวนาเป็นภาวนาควบคู่กับลมณ์ให้ใจเข้าออกรวมความมาทั้งสิบอย่างนี่แหละใช้ควบคู่กับลมณ์ให้ใจเข้าออกทั้งหมดเมื่อควบคู่กับลมณ์ให้ใจเข้าออกแล้วในเมื่อลมให้ใจเข้าออก ในเมื่อลมหายใจเขาออกทรงถึงฌานไหนกรรมฐ า, านกองนั้นก็ส่งถึงฌานนั้นก็ทราบกันอยู่แล้วว่าลมหายใจเขาออกสามารถทรงได้ถึงฌานสี่ก็เป็นอันว่ากรรมฐ า, านทุกกองแล้วก็สามารถทําฌานสี่ได้หมดถ้าจะถามว่าอย่างจารคานุสติกกรรมฐ า, านหรือว่ามรณานุสติกรรมฐ า, านอุปสมานุสติกรรมฐ า, านทํำยังไง ก็เหมือนกันแในควบคู่กับอามณ์ให้ใจเขาออกพออารมณ์ทราบปฏิบัติไปใช้อารมณ์แบบนี้ภาวนาตามอนุสติทั้งหลายเหล่านั้นเช่นพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติจารานุสติสีลานุสติเทวานุสติมรณานุสติอุปสมานุสติอริยกาตานุสติหรือว่าอะไรก็ตามเถอะ ถ้าจิตเข้าถึงฌานที่สองอนุสติทั้งหลายเรานั้นจะหายไปต่อไปก็จะเหลือแต่นาปาลสติแล้วคุมนาปาลสติไปถึงฌานสี่อารมณ์จิตทั้งหมดก็จะเป็นฌานสี่ไปด้วยเรียกว่ามาฐานส่วนนั้นก็เป็นฌานสี่ไปด้วยนี่ถ้าสามารถทําอนุสติทั้งหมดให้เข้าถึงฌานสี่ได้ โดยสายควบคุมกับลมให้ใจเขาออกด <c oughs> ัานั้นพระโบราณอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติมาแล้วได้ผลทุกท่านจึงได้พยายามสอนสอนให้ทราบให้รู้เวลาวิชาปฏิบัติสอนใครใช่ให้ไ ป, ปฏิบัติท่านใช่ใช่ลมให้ใจเขาออกควบทุกกอง ก็จะเป็นพุทธานุสติก็ตามธรรมานุสติสังคานุสติก็ตามหรืออนุสติทั้งหมด <c oughs> ท่านสอนให้รู้ลมให้ใจเข้าออกไปด้วยแล้วก็ให้ภาวนาในจุดนั้นไปด้วยเพื่อเป็นการทรงฌานทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าอนนาปานุสติกรรมฐ า, านเป็นตัวฌานเป็นตัวยืนในเมื่อถึงฌานที่หนึ่งอนุสติทั้งหมดอย่างทรงตัว พอทิ้งฌานีสองอนุสติทั้งหลายหายไปนี่ถ้าภาวนาเฉยๆถ้าจับเป็นภาพนิมิตสมมุติว่าจับภาพพระพุทธ ร, รูปนี่เป็นกสินถ้าจับภาพพุทธ ร, รูปควบกับลมหายใจเขาออกเป็นกสินกสินสามารถทรงได้ทิ้งฌานสี่อนาปานุสติก็สามารถทรงได้ทิ้งฌานสี่ ที่ต้องควบอนาปานสติด้วยก็เพื่อกันความฟุ้งซ่านของจิตท่านบอกท่านอาจารย์ตอบว่ารู้แล้วว่าพุทธานุสติจับได้ง่ายถ้าทำมานุสติล่ะทำมานุสตินี่ท่านจับภาพแทนเป็นดอกมะลิแก้วเพราะว่าเห็นพุทธานุสติด้วย แล้วจับภาพตั้งภาพขึ้นมาเหมือนกับดอกมะลิแก้วที่ไหลแพรวออกมาจากพระโอษพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้จัดว่าเป็นอ่าเป็นธรรมานุสติแต่ต้องมีกำลังใจเข้มข้นนะและต่อไปสำหรับสังคารนุสตินีกี่อย่างจับภาพประสงค์ปอารมณ์ มาศีลานุสตินี่ก่อนนึกถึงศีลแต่ว่าจิตยืนอยู่ที่พุทานนธานุสติกรรมฐานด้วยจารคานุสตินั้นเราจับได้ไหมายก็เอาภาพของทานการบริจาคที่เราให้เป็นภาพแทนควบกับอนาปานุสติกรรมฐานสําหรับเทวานุสติกรรมฐานนึกถึงภาพเทวดาจำภาพเคหงก็ได้รูปใดรูปหนึ่งไปอนุสติ สำหรับมรณานุสติจะกนึกจับว่าภาพคนตายคนใดคนหนึ่งเขมาตั้งคั้วกลับลมให้ใจเขาออกและก็สำหรับอุปสมานโนสติกรรมฐ า, านที่เราไม่มีภาพจับถ้าเราจะจับภาพพระพุทธรูปแทนก็ได้ว่าท่านที่เข้าถึงพระนิพพานองค์แรกเกือพระพุทธเจา้าก็จับภาพพระพุทธเจ้าแทนแต่พิจารณาภาวนาไปในด้านเป็นด้านด้านของนิพพานคือว่านิพพานนั่งและนิพพานสุขขัง อย่างนี้ได้ทั้งหมดให้สรุปให้ฟังว่าถ้าฉลาดในการปฏิบัติใจถึงทานฌานสี่นั่นมันถึงได้ทุกอย่างในเขาได้โปรดทราบว่าอาตมาไม่ได้หาว่าใครงโง่นะถือว่าทุกท่านฉลาดด้วยกันหมดนื่อเป็นอนันว่าเมื่อเราเข้าใจวิธีการที่จะทำมนุสสติทั้งสิบราการเข้าถึงฌานสี่แล้ว หากว่าท่านจะถามว่าจะใช้อนุสติทั้งหมดนี้ฝึกในด้านเตวิโชช ล, ละพิญโยปฏิสัมพิทัพประตูได้ไหมก็ต้องขอตอบว่าจะฝึกได้แต่เฉพาะเตวิโชกับปฏิสัมพิทัพประตูเท่านั้นจะเอาเป็นชละะจะเอาเป็นช ล, ละพิญโยนี่ไม่ได้เพราะว่าช ล, ละพิญโยนี่มีวิธีการฝึกยากมาก ต้องใช้เกลือศนทั้งสิบรายการเขาฝึกควบกันและชำนาญในฌานเขาก็ศินทั้งหมดอย่างนี้จึงจะสามารถฝึกให้เข้าท้งจุดได้แต่ถ้าหากว่าท่านจะใช้ในด้านเทวีโชเลสปริสปริสัมพิทัปโตอันนี้ทำได้พยาถามว่าทำยังไงก็บอกแล้วนี่สำหรับ เอ่อเตวีโชคือด้านทิพยคุยานในเวลาที่ฝึกที่แนะนำมาในพุทธานุสติกรรมฐ า, านสามารถทำได้แบบสบายหากว่าจะใช้เป็นบริษัมิทัพประตก็เอากระสินกองนั่นแหละคือภาพพระพุทธ ร, รูปก็ดีภาพประสงค์ก็ดีที่เราสามารถส่งได้ถึงชาญสี่เป็นกระสินจับภาพกระสินแล้วเพิ่งกระสินทิ้งไป จับอรูปเขามาแทงคืออากาสารนัญจายตนะพิจารณาอากาศวิญญาณัญจาจตนาพิจารณาวิญญาณอากินจัญญายตนาพิจารณาเห็นว่าว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเหลือในว่าสัญญาณสัญญาจตนาพิจารณาทำคนไม่ว่ามีสัญญาคือความจำทำเหมือนไม่มีความจําอันนี้ถ้าจะฝึกก็ไปดูในสมาบัติแปด หรือว่าสมาบัติหนึ่งถึงสมาบัติแปดอธิบายไว้ถึงปฏิสัมพิทาญานอันนี้เราทำได้ที่ต้องมาสรุปให้ฟังก็เพื่อเป็นการป้องกันความสงสัยข้งมันดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายว่าบาังเอิญถ้าเราจะต้องการวิชาสามขึ้นมาบ้างต้องการในพิญญาหกขึ้นมาบ้างต้องการปฏิสัมพิทาญาณขึ้นมาบ้างจะใช้อนุสติทำได้ไหม เพราะว่าวิชาดังสามรายการนี้พระพุทธโกศอาจารย์ท่านทศนาตามแบบฉบับข้ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพรได้โปรดอย่าลืมนะอย่าลืมว่าแบบฉบับข้อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นได้ทรงสงเคราะห์เราไว้ในด้านกสิ้นสิบรายการ ว่าจะใช้เป็นสุขาวิบัติโกก็ได้เตวิชโช ก, ก็ได้ชลพิญโญก็ได้ปริสัมพัทธปโตก็ได้ตอนนี้หากว่าเราจะใช้เฉพาะอนุสติได้อย่างอื่นนั่นเป็นใช้ชลพิญโญไม่ได้เพราะเราขาดอารมณ์ที่ทำให้เกิดฤทธิ์ทุกอย่างแต่ว่าจะใช้ในด้านสุขาวิบัติโ ก, กได้ในในในอนุสติสิบเตวิชโชได ไปสัมพัฒนวิทประตูได้ <c oughs> มาจะรวบรวมกําลังกันอีกทีหนึ่งเรามาสรุปกันว่าในอนุสติทั้งสิบ ร, รายการนี้จําเป็นไหมว่าที่ต้องใช้ทั้งหมดให้เข้าถึงพระนิพพานจะขอแนะนําบรรดาท่านพุทธบริษัทว่าจําเป็นหรือไม่จําเป็นมันอยู่ที่กําลังใจของท่านแต่หากว่าท่าน ต้องการอ น, อนุสติทั้งสิบรายการนี้ครบถ้วนมันก็จําเป็นแต่ากว่าท่านไม่ใช้อนุสติทั้งสิบรายการครบถ้วนจะใช้อย่างใดอย่างหนึ่งและควบกับวิปัสสนาญาณท่านก็ถึงนิพพานได้แต่ว่าส่วนสําคัญที่สุดในอนุสติทั้งสิบรายการนี้จะขอแนะว้ก่อนว่าจงอย่าทิ้งอนาปานุสติกรรมฐานเป็นอันขาด หรือว่าในกรรมาฐานสี่สิบทั้งหมดท่านอย่าทิ้งนาปานุสติกรรมาฐานไม่ได้เลยแต่ก็ว่าบังเอิญชานาปานนสติกรรมาฐานแลวกรรมาฐานกองอื่นทั้งหมดที่ท่านปฏิบัตินั้นจะไม่มีอะไรเป็นผลทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าจิตของท่านท่านอย่าลืมว่ามันจะไม่คลายอาการพุ่งสั่น อนาปานุสติกรรมฐานนี่เป็นกรรมฐานที่ตัดอารมณ์พุ่งสั้นแก่สําหรับของทุกๆท่ทานในเมื่ออาการตัดอารมณ์พุ่งสั้นมีได้แล้วเราก็ทําอะไรทุกอย่างได้ถ้าเยถามว่าการฝึกฤทธิ์ไม่ได้กับศิลป์พระพุทธโคศอาจารย์ไม่ได้บอกไว้เลยว่าต้องใช้อนาปานุสติกกรรมฐาน อันนี้แต่มาก็จะขอตอบว่าถ้ากำลังใจของท่านเข้มแข็งไม่มีอารมณ์ฟุ่งร่างของจิตถ้าไม่มีอารมณ์ฟุ้งร่างของจิตท่านก็สามารถจะใช้กรรมฐานอย่างใดอย่างหนึง่งเข้ามาประครับประคองคือว่านกระกินอย่างใดหนึง่งตั้งอารมณ์ได้ทันทีแด้ว่าท่านมั่นใจไหมละ่ะ มั่นใจไหมว่าอารมณ์จิตของท่านไม่โฟกัสสั่นอย่างสมมุติว่าท่านจะจับปฐวีกสินเอาเท่าปฐวีอย่างเดียวจิตของท่านจะเม็นึกถึงอย่างอื่นท่านสามารถทําได้ไหมแต่ก็ว่าท่านยังไม่เป็นผู้ทรงฌานเพียงใดท่านทําไม่ได้แล้วถ้าผู้ทรงฌานล่ะเขาจะทิ้งอนาปานสติ ก, กมาทาันไหม ก็ต้องตอบว่าไม่ว่าผู้ทรงฌานคนใดทั้งหมดที่บอกว่าสามารถทรงฌานจริงท่านผู้นั้นก็ไม่สามารถเที่ยที่อานาปาโนสติกรรมฐานได้ถ้าที่อานาปาโนสติกรรมฐานเสร็จแล้วไม่มีผลแล้วก็ตาหากว่าท่านจะมาถามท่านจะถามว่าทําไมท่านที่เข้าฌานในกรสินสิบ โดยใช้พิญญาสมาบัติพิ้งใช้ชั่วขณะจิตเดียวสามารถทำได้เลยก็ต้องขอตอบว่านั่นเขาพร้อมแล้วเป็นผู้จำนานแล้วพะเริ่มปั๊บจิตจับอารมณ์ทุกอย่างม่เข้าพร้อมกันก็ดังนี้ก็เหมือนกับที่ท่านเรียนหนังสือใหม่ๆเริ่มเรียนใหม่ๆแค่ตัวกอตัวเดียวนี้ท่านไม่สามารถจะทำได้ คือไม่ไ ม, ไม่ไม่สามารถจะเขียนตัวกอให้มันเป็นตัวกอขึ้นมาได้แต่ถ้าหากว่าท่านเรียนเสีจนเกิดความชำนาญผ่านชั้นมัธยมมาแล้วถึงขั้นอุดมรวมกว่าว่าเรียนจบหมดเวลานี้ท่านจะเขียนอะไรล่ะถ้อยคำจะเขียนว่าย่างไงท่านไม่ต้องไปนึกถึงตัวสะกดตัวกรันตัวการส่งตัวว่ า, าสอนทชั้นแบบไหน แยกเขียนอย่างไงก็ได้ตามอธัธยาศัยทุกขณะเป็นอนุว่าท่านสามารถจะทําได้ตามอธัธยาศัยไปเขียนได้เขียนอะไรก็ได้เขียนภาษาไทยเขียนภาษาฝรัง่งเขียนอะไรก็ได้ถ้าธนินครองแล้วข้อนี้มีประมาชั้นใด แม้ท่านที่จะทรงฌานจริงๆท่านสามารถจะรวบรวมรวบรวมกําลังใจของท่านได้ภายในไม่ถึงวินาทีพอคิดว่าเวลานี้เราจะทรงฌานขั้นไหนแล้วก็ทําขั้นนั้นได้ทันทีแล้วถามถ้าจะถามว่าอนาปาโนสติใช่ตรงไหนเราใช้พร้อมกันรอ้นึกขึ้นมาปั๊บก็จับได้เลยต้องทรงอนาปาโนสติด้วย <c oughs> เป็นอันว่านาปานุสติกรรมฐานนี้ต้องควบคู่กันกับกรรมฐานอีกสาที่เก้าอย่างทั้งหมดมีในตอนหนึ่งองค์สมเด็จพระบรมสุคตทรงตรัสกับภาษารีบุตรหรือพระอนนุนอาจจะพลาดไปนิดหนึ่งอาจจะเป็นพระอนนุนบ้านนันท่าดูก่อนอนนุนแต่ฐาคตเองก็เป็นผู้มากพระอนาปานุสตินี่ท่านนันหลที่มีความหลง คิดว่าสมถะกรรมฐานไม่มีความหมายนี่เคยได้ยินบ่อยๆเพราะการเจริญสมถะกรรมฐานเนี่ยไม่ใช่เป็นทางบรรลุมรรคผลมีวิปัสสนาญาณเท่านั้นที่จะบรรลุมรรคผลอันนี้ยธรมาไม่ปฏิเสธข้อนี้ท่านเข้าใจถูกแต่แล้วแต่ละท่านกบ็บอกว่าสําหรับสมถะกรรมฐานไม่ขอปฏิบัติเพราะไม่ใช่ทางบรรลุมรรคผล ต้องการวิปัสนาญาณอย่างเดียวเอาฟังเข้าอย่างนี้เลยเสียวคิดว่าเป็นไปไม่ได้ <c oughs> ไม่มีทางที่จะเป็นไปได้ทั้ง น, นี้พ่อใหญก็เพราะว่าถ้าท่านไม่มีสมถกรรมฐานอยู่แล้ววิปัสนากรรมฐานจะไปยืนอยู่กับอะไร หากว่าท่านจะมาแก้บกว่าเวลาพิจารณากับไปปรัชนากรรมฐานไม่ได้เอากกรรมฐานสี่สิบอย่างใดอย่างหนึ่งไปครบเลยหรือว่าไม่ได้ใช้มหาธิปฐานอย่างใดอย่างหนึ่งไปครบเลยใช้แต่อริยสัจสี่หรือว่าใช้แต่ขันห้าใช้แต่วิปัสสนาอย่างเก้าก็ยังต้องขอถามนิดหนึง่ง ว่าการอารมณ์กําลังใจของท่านที่กําลังควบคุมอารมณ์ควบคุมอารมณ์อยู่ให้เป็นสมาธิไม่ขนาดนั้นเป็นอารมณ์ใจการควบคุมนั้นเป็นอารมณ์ของอะไรเพื่อการทรงตัวอารมณ์ใจให้เป็นสมาธินั้นเป็นสมถะภาวนาอย่าลืมนะ คณะใดที่จิตของท่านยังพิจารณาในขันห้าก็ดีพิจารณาในอริยสัจสี่ก็ดีพิจารณาในวิปัสสนาญาณก้าก็ดีจิตที่ยังทรงตัวอยู่นั้นคือคุมจิตของท่านคืออารมณ์เดิมไม่จิตมันก็สัเปลี่ยนมันอยู่ในขอบเขตของอารมณ์จิตที่ต้องการจะคิดอารมณ์ที่ควบคุมจิตตัวนั้นเป็นสมถะ อารมณ์คิดคือใช้ปัญญาไขควนเป็นตัววิปัสนานี่ขอบันดาลท่พุทธศาสนิกนชนงหลายโดยทนหนาจงอย่าเข้าใจผิดในเรื่องนี้นี่แต่มาไม่ได้บันามใครแต่ือว่าท่านนักฝึกปฏิบัติสมาฐานหลายท่านเดยวยกันมาปรารให้ฟังเมื่อเวลานี้บางท่านเป็นที่น่าเสียดายคราวหนึ่งนั่งไปในรถไฟ ขึ้นรถไฟจากสถานีแตคีจะไปอุตรดิษฐ์มีท่านผู้หนึ่งเป็นผู้มีอายุแล้วมันั่งคุยเรื่องกรรมฐานท่านถามว่าท่านเคยเจริญกรรมฐานบ้างไหมที่แรกท่านถามบรรษาก่อนว่าท่านบทมาแล้วกี่บรรษาก็ตอบท่านบอกว่าสี่สิบภรษาเสร็จท่านถามว่าเคยเจริญพระกรรมฐานบ้างไหม ได้ตอบท่านบอกว่าเคยเจริญบ้างแต่ก็ไม่มากไปไหนทําบ้างเล็ ก, ลกๆในน้อยพอทําพอใจสบายท่านถามว่าใจสบายมากไหมก็บอกก็สบายพอสมควรไม่มากก็ยังไม่ได้เป็นพระอริยเจา้าคือยังไม่ได้เป็นพระอริยะขั้นสูงสุดคือไม่ได้เป็นพระพุทธเจา้า แล้วก็ยัมาตีความหมายลนะ่ะว่าการพูดอย่างนี้ก็เป็นอารหันต์แล้วสิ <c oughs> ยังไม่ใช่หมายความว่าอะไรทั้งหมดคือบอกก็ยังไม่ได้เป็นพระอริยเจา้าก็หมายความว่าไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้านี่จะได้สบายที่สุดอรหันต์ธรรมดาท่านก็สบายสบายเรื่องขันห้าแต่สิ่งที่ไม่สบายมีอยู่นิดหนึ่งที่ว่าตั้งใจจะสงเคราะห์บรรดาทาทพุทธบริษัท อย่าจะรู้อารมณ์ว่าบรรดาทา่านผู้บริษัทคนใดจะเข้ามึกมักผลได้ด้วยกิริยาอย่างใดอันนี้พระาารีเจ้าธรรมดาทำไม่ได้อย่างพระมหารกรสบเคยคิดจะสนองคุณองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าตั้งใจจะช่วยดึงได้ตอนเช้า ม, มืดลุกขึ้นพิจารณาอาการของบรรดาสัตว์โลกว่าใครหนอจะได้บรรลุมักผลบ้างด้วยทำอะไร ทำไปแล้วเกิด ค, ความลำบากใจองค์สมเด็จพระจอมไตรบริมศักดิ์สันดาจึงส่งเตือนบอกว่าไม่เป็นเรื่องอาการอย่างนั้นไม่สมควรยาทําเลยกระสบมันไปมีสายของพระพุทธเจ้าองค์เดียวเท่านั้นภาษาวกทาไม่ได้ที่เป็นอันว่าพระหลานนั่งหลายก็ยังสบายไม่ถึงที่สุดแ้าพระหลานนั่งหลายก็ยังมีอารมณ์เผลอที่ไม่เผอก็คือเรื่องของขันห้า เรื่องเขาสังขารรถเปรคายาณนี่พระอาหารหันต์ทั้งหลายไม่เผลอแต่เผลอเรื่องอื่นมีเผล อ, อย่างท่านประมาหารกระสบก็ยังถูกเทวดาต้มบำเพ็ญกุศลอยู่เสมอท่านปรารถนาจะสงเคราะห์คนจนแต่ว่าเทวดาบางท่านท่านก็คิดว่าท่านเป็นแค่เทวดาท่านยังไม่เจ็บพรมหรือว่าเป็นเทวดาเหมือนกันแต่บุญของเทวดาย่อมไม่สม่ำเสมอกัน เทวดาย่อมมีบุญเข้าพิจารณาบุญได้การพิจารณาคือเพ่งกันในแสงสีคือความสว่างบางความสว่างของตนแต่ถ้ว่าในเมื่อความสว่างของตัวไม่เท่าเขาก็สแสดงว่ามีบุญญาที่การน้อยกว่าเขามีอนุภาพน้อยกว่าเขาเมื่อเป็นอย่างนี้ ท่านก็เกิดความร้อนใจเวลาที่พระมหาไสยาสน์อกจากนิโรธาสมาบัติท่านก็แปลงเป็นคนเป็นคนจนทรามหาไสยาสน์ก็คิดว่าเป็นคนจนจริงจึงไปโปรดไปให้ท่านใส่บารเมื่อเวลาใส่บาดลงไปแล้วจียงได้ทราบว่าท่านผูนี้เป็นเทวดาท่านพระมหาไสยาสน์ก็ตอบว่าท่านก็บอกว่าท่านเป็นเทวดาแต่ท่านก็จนเหมือนกัน แล้วว่าบริวารของท่านที่ไปเกิดใหม่มีรัศมีกายผ่องสันผ่องใสมากกว่าท่านท่านก็ต้องถือว่าท่านเป็นเทวดาที่จนกว่าบริวารของท่านต้องทําบุญเพิ่มเติมนี่เป็นอันว่าท่านที่เป็นเทวดาก็ถือว่าจนถ้ามหากระจกที่เป็นพระอรหันตปฏิสัมพินธา ย, ยานก็ยังเผลอสาหรับอัตมาที่ตอบท่านผู้นั้นไปก็เพราะว่ายังไม่มีดีอะไรเลย <c oughs> กือพิจารณาแล้วในตัวหาอะไรดีไม่ได้ <c oughs> มันยังมีความเหนื่อยมันยังมีความหิวยังมีความร้อนยังมีความกระหายที่สบายใจบ้างเพราะข่มใจคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเท่านั้นความรู้สึกยังมีไพกะเลบอกว่าผมเคยเจริญสมถะสามารถทําใจให้ไม่รู้สึกลมหายใจเขาออกได้ทรงฌานได้แบบสบายสบาย แต่ต่อมาเห็นว่าสมถะภาวนาไม่ใช่วิสัยที่จะบรรลุมรรคผลจึงได้เที่ยงเสียเวลานี้ไม่เอาจเจริญแต่วิปัสนาญาณอย่างเดียวนี่เป็นความเห็นที่พลาดไปแต่ท่านคงนั้นองคนนั้นนไม่เสียหายแต่เป็นความเห็นพลาดไปท้าแนะนําคนอื่นแบบนั้นจะเป็นการเกิดให้ทําให้เกิดความเข้าใจผิดจึงถามดั่นว่าเวลาพิจารณาวิปาาัสนาญาณ อารมณ์ใจไม่คุมโตอยู่ได้ไหมท่านบอกว่าได้แบบสบายๆทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าท่านใช้สมถะภาวนาจนชินจึงถามนั้นว่าอารมณ์ที่คุมใจท่านอยู่ให้สามารถพิจารณาวิปัสนาญาณได้อันนี้ท่านหมายว่าตัวนั้นเป็นอะไรเป็นสมถะหรือภาวนาท่านนิ่ง เลยตอบแทนว่าตัวที่คุมอารมณ์อยู่ให้อารมณ์ที่พิจารณาวิปัสนาญาณไม่แยกตัวไปไหนรวบรวมกําลังใจได้เป็นขอบเขตอันนั้นแหะเป็นสมถะสมถะท่านยังมีอยู่ท่านกลับหันมาถามไมารู้เลยบอกว่ารู้ท่านถามว่ารู้ได้ยังไงเพราะก็บอกเขาเคยทําว่าอาการอย่างนี้เคยปรากฏมาแล้วท่านก็เลยนิ่งแล้วต่อไปท่านก็ให้คุยเรื่องวิปัสนาญาณ ก็ไม่ได้คุยอะไรมากคุยกระแต่เพียงเล็กน้อยว่าถ้าเราไม่สนใจขันห้าเสแล้วมันก็จบกันท่านหันมามองดูหน้าว่าถ้าอย่างนั้นท่านก็เป็นพระอรหันต์ก็เลยตอบท่านบอกไม่ใช่พระพุทธเจา้าท่านกล่าวว่าอย่างนั้นสำหรับอาตมานี่ยังเป็นพระปุถุชนคนธรรมดายังกินข้าวอยู่ยังถ่ายอุจจาระยังปัสสาวะอยู่ยังไม่กล้าพยากรณ ว่าอาตมาเป็นสาวกโคโ อ, องค์สมเด็จพระอรมาโคโด้านอราหารอรันทรัมบรรดาท่านพุทธ บ, บริษัททุกท่านการสรุปกันเพื่อมีความรู้เล็กๆ น, น้อยๆด้านในด้านอนุสติกรมฐานวันนี้มองดูเวลาก็หมดแล้วก็ข อ, อยุติไว้แต่เพียงตรงนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้นักศึกษาทุกท่านสวัสดี